ปฏิปฏิวิพัฒผู้ถามเป็นผู้ปฏิบัติยินดีในที่สงัดชอบอยู่คนเดียวเงียบเงีย บ, บนเขาวันหนึ่งเวลากลางคืนเดือนงายคิดถึงผู้ตอบซึ่งเป็นเพื่อนปฏิบัติมาด้วยกันอันพำนักอยู่ในถ้ำและที่บริเวณนั้นเวลากลางคืนไม่มีคนเดินเพราเงียบและเปลี่ยวแต่ถ้ำนั้นอยู่ใกล้ไม่ไกลมากนัก ผู้ถามลงจากเขาอาศัยแสงเดือนแล้วเดินไปพอถึงถ้ำประมาณยี่สิบนาฬิกาคือสองทุ่มผู้ตอบจึงกล่าวว่าท่านอุตสาหมาหาขาพเจ้ากลางคืนไม่กลัวเสือหรือผู้ถามจึงบอกว่าขาพเจ้าไม่กลัวเพราะอาศัยอำนาจพระรัตนตรัยที่เรามีใจมั่นคงอยู่ในสารณะทั้งสามผู้ตอบจึงกล่าวว่าถูกแล้ว พระพเจ้าอยู่ในถรร้มเวลานี้ก็เป็นที่ป่าทางเปลี่ยวที่ไม่มีความวาเสียวก็เพราะมั่นคงอยู่ในสรณะทั้งสามดังมีพระพุทธภาษิตในทัชชกสูตรซึ่งตรัสสอนภิกษุผู้มีราคะยังไม่ไปปราศจากสันดานว่าท่านทั้งหลายไปอยู่ในป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างเปล่าถ้าความกลัวเกิดขึ้นก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ถ้ไม่ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงคุณพระธรรมทําไมระลึกถึงคุณพระธรรมก็ให้ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ความกลัวและความหวาดเสียวก็จะหายไปพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามพระบรมพุทธโอวาทโดยเคารพผู้ถามกล่าวว่านาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า เช่นคราวเสด็จไปห้ามพระญาติไม่ให้เกิดทะเลาะวิวาทในการแข่งแย่งน้ำกันพระญาติเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใสจึงแบ่งเจ้านายสกยะและโกริยะถวายฝ่ายละรอหองค์รวมกันเป็น500องค์จะนำไปบวชแต่เจ้านายเหล่านั้นบางองค์มิได้ศรัทธาออกบวชเช่นพระนันทะ a เริ่มจะแต่งงานก็ทรงนาไปบวชเสีย ภิกษุเหล่านั้นยังไม่เห็นภัยในโลกโดยแท้จริงจึงมีความอาลัยในมาตุคามคือสตรีอาศัยพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคที่ทรงอบรมฝึกหัดและทรมานภิกษุเหล่านั้นจึงถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอสวะคืออนุปาทิเสสปรินิพานตอบว่าถูกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ฝึกหัดคนที่ควรทรมานไม่มีใครสู้ดังนี้จึงได้ทรงพระนามว่าปุริสธรรมสารถิ